ทำความเข้าใจต่อห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทคือรายละเอียดของเหตุเกิดทุกตรงกับภาษิตเป้เลยบางทีเหตุเกิดทุกหรือเหตุเกิดชาติคมชาติในทีนี้ก็ตรงตรงนั่นแหละก็คือการเกิดชาติเกิดก็คือเกิดแก่ก็คือแก่เจ็บก็คือเจ็บตายก็คือตายนี่คือภาษาของเขาตรงตรง เหตุที่ยังเกิดอยู่เพราะว่ายังมีความเป็นเรียกคือยังมีพบพบก็คือความเป็นทีนี้ขณะที่เรายังไม่ตายอยู่เนี่ยเรียกว่ายังมีพบไหมมียังมีความเป็นนะยังหายใจอยู่ยังมีความเป็นใช่ไหมทีนี้ถ้าสิ้นลมไปแล้วล่ะแล้วขันก็ยังดับไม่สนิทจริงๆเรียกยังมีความเป็นไหม ความเป็นตอนสิ้นลมไปแล้วกับความเป็นที่ตอนยังไม่สิ้นลมเนี่ยใช้อันเดียวกันไหม <I 'm S 1> เอาใหมา่ <I 'm S 1> เอาใหมา่ <I 'm S 1> ช้า <I 'm S 1> ช้า <'m> นะตอนมีชีวิตเนี่ยก็คือยังมีความเป็นนะแต่พอตายไปสิ้นลมรูปรขันดับแต่สัญญาเวทนาสังขารยังอยู่ไม่ดับเนี่ยก็คือยังมีความเป็นนะ พ อ, อยังดับไม่สนิทก็ยังเป็นดังนั้นตอนมีชีวิตกับตอนตายแล้วเนี่ยความเป็นที่ยังมีเนี่ยใช้อันเดียวกันไหมบางคนใช้บางคนไม่ใช่อันเดียวกันนะคําว่าเป็นก็คือยังไม่ดับง่ายๆคือยังไม่ดับไฟกองใหญ่กับไฟกองเล็กเนี่ยกับไฟที่ทํำท่าจะมอดแต่ยังไม่ดับจริงๆเราก็เรียกเหมือนกันมันดับหรือ ย, ยังไม่ดับ ยังไม่ดับยังไม่ดับเหมือนกันเพียงแต่สภาพกองมันอาจจะเล็กมันอาจจะใหญ่ยังมีความเป็นเหมือนกันแต่องค์ประกอบของขันที่เหลืออยู่มันเหลือไม่เท่ากันแต่มันยังมีความเป็นเหมือนกันเหมือนต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้ที่เต็มเต็มต้นก็เรียกว่ายังมีความเป็นตัดเหลือครึ่งต้นถ้ายังไม่ตายก็ยังมีความเป็นเผาให้เหลือแต่ตอถ้ายังไม่ตายก็ยังมีความเป็น ขุดไปจนเหลือแต่ลาบแต่ยังไม่ตายอีกก็ยังมีความเป็นในทุกความเป็นที่มีอยู่เนี่ยงอกอีกได้ไหมไ ด, ได้เหมือนกันทีนี้คำว่าเป็นก็หมายถือว่ามันยังไม่ดับยังไม่ดับเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าการคงอยู่ขององค์ประกอบที่เหลือเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ก็ยังมีความเป็นเหมือนกัน ไม่เคยดับเหมือนกันดังนั้นในขณะที่เขาเหลือขันสีน่ขันก็คือยังไม่ดับเหลือห้าขันก็คือยังไม่ดับยังไม่ดับอันนี้คือมีความเป็นเหมือนกันทีนี้พระเจ้าลงไปถึงรายละเอียดว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยที่ยังมีความเป็น ยิงมีภาวะที่ยังไม่มีการดับเนะี่ยถ้าจะแบ่งเกรดของจิตในการทรงอยู่บนความเป็นจริงๆแล้วเนี่ยจิตเหล่านั้นมีกี่ระดับแบ่งเกรดของจิตที่ยังไม่ดับสนิทก็จะแบ่งได้สามเกรดหรือสามประเภทนะประเภทหนึ่งเป็นการทรงอยู่ของขันโดยมีภาวะ ของจิตที่ยังยินดีในกามะคุณมีกามะคุณเป็นที่ตั้งที่อาศัยที่ยินดีที่อะไรที่เกาะเกี่ยวที่ท่องเที่ยวเรียกพวกนี้ว่าพวกตะกูลพวกการมะพบพวกยินดีในกามะคุณใจก็ต้องการเรื่องกามะคุณใจก็ผูกพันเกี่ยวข้องกับกามะคุณมีความรักความโกรธเกลียดความกลัวกังวล ขัวพันอยู่กั บ, บวงเวียนของเรื่องของกามมคุณเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเพราะกามมพบพบที่ถูกดำรงอยู่ถูกลอเลี้ยงอยู่ด้วยภาวะที่จิตนั้นมีกามมคุณทั้งหลายนั้นเป็นที่ที่หมายหรือเป็นที่เกาะเกี่ยวเขาเรียกพวกกรมมพทรงความเป็นโดยมี กามคุณนั้นเป็นอารมณ์ของการกําหนดหมายหรือเป็นที่เที่ยวไปพวกการมาพบเนี่ยก็มีระดับภูมิจิตก็เรียกพวกกามาวัจจะภูมิคือพวกภูมิภูมิกับพบนี่ต่างกันพบคือความเป็นภูมิคือระดับระดับชั้นหรือระดับเกรดของเขาเป็นพวกกามาพบก็จะมีระดับภูมิอยู่ในชั้นที่เรียกพวก กามวัจรภูมิคือชอบท่องเที่ยวไปแต่เรื่องของกามคุณเป็นที่นึกถึงเดี๋ยวที่นึกถึงเรื่องเพลิดเพลิน น, นึกถึงการจะมีจะเป็นอย่างนั้นในเรื่องแบบลกโล ก, โลกนึกถึงเรื่องสุขแบบลกโลกเป็นที่นึกถึงอันนี้คือพวกกามวาัจรภูมิพวกสนใจแต่เรื่องลโลกจะนึกถึงอารมณ์ฌานไหมใน mm. พวกกามวัจรภูมิแกก็เที่ยวไปแต่เรื่อง ความเพลิดเพลินที่อยู่ในเขตที่โลกมีทั้งในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนี่คือพวกความเป็นที่ยังทรงตัวอยู่และถูกหล่อเลี้ยงด้วยกามคุณเป็นที่ตั้งเป็นที่กําหนดเป็นที่เที่ยวไปเป็นที่ใส่ใจเป็นอารมณ์หลักของใจนี่คือพวกกามาวัจระภูมิ พวกอยู่ในภูมิของกามาวัจรภูมิเนี่ยไล่ตั้งแต่สวรรค์ลงไปจนถึงนรกชั้นล่างนรกชั้นล่างดัง น, นั้นพวกยินดีในเรื่องกามาคุณเนี่ยก็ยังมีการกระทำต่างกันยินดีในเรื่องการมาคุณแต่ไปทําอะไรแย่แย่เน่าเนเนี่ยภูมิจิตก็เศร้าหมองก็ไปอยู่ในภูมินรกแต่จิตที่อยู่ในภูมินรกที่เศร้าหมองเนี่ยจิตของเขาก็ยังฝักใฝ่ในกามาคุณแต่ไปทําชั่วซะ ก็ยังอยู่ในชั้นกามมาภพแต่เป็นกามมาภพที่ดันไปกระทําอะไรที่แย่แย่ภูมิจิตจึงเศร้าหมองลงไปอยู่ในเกรดต่ําชั้นล่างนู้นลงภูมิต่ำต่ำนกลงเป็ดอะไรทางนู้นนะจนถึงพวกมนุษย์และสัตว์สัตว์ก็ยังยินดีในกามไหมออชอบกินอะไระไหลชอบเห็นอะไรสวยสวยชอบเรื่องรักเรื่องใคร่เรื่องอะไรต่างๆนี่คืออยู่ในตระกูลพวกกามมาภพหมดเลย จนกระทั่งถึงเทวดาเทวดาทั้งหลายผู้ยังยินดีในเรื่องรูปเสียงกลิ่นวัตถภพทั้งในแบบโลกและในแบบทิพย์ในแบบทิพย์ก็คือในแบบที่ใช้นึกกันขึ้นมาด้วยอารมณ์ของใจนี่คือเรื่องของเทวดาแต่ก็ยังยินดีในกาก็เป็นตระกูลพวกกามาพบและก็อยู่ในชั้นที่เรียกว่า กามาวัจรภูมิพวกมีภูมิจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่กับเรื่องของกามว่ายเวียนอยู่กับเรื่องของกามของกามคำว่ากามนี้ไม่ได้หมายเอาถึงแต่เรื่องทางเพศแต่หมายถึงความอรเด็ดอร่อยเพลิดเพลินวิจิตทั้งหลายของโลกของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะทั้งหลายนี่คือเรื่องของกามคุณสัตว์โลกมีกลุ่มหนึ่ง ที่ยังคงความเป็นเอาไว้โดยมีวิถีใจที่น้อมมุ่งประสงค์เกี่ยวพันอยู่กับพวกรามะคุณยินดีในการมาคุณพอใจในการมาคุณมีการมาคุณเป็นที่ดึงความต้องการดึงความรักความชังความกังวลความห่วงความวิตกความกระหายและดึงให้เกิดการกระทำเพื่อกรรมเพื่อกรรมคุณอันนี้ ดังนั้นภาวะของขันที่ดำรงอยู่โดยไม่ดับสนิทไปเนี่ยก็ถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยจิตที่รักใคร่ในกามได้ไหมต้องการในกามคุณเนี่ยมีอุปท า, านไหมมียังเกาะเกี่ยวยังต้องการเมื่อต้องการในกามคุณเนี่ยมีความกลัวกังวลได้ไหมได้ต้องการให้ลูกเป็นอย่างนั้นต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านะี้กามคุณทั้งนั้นเลยดัยงนั้น กามาคุณทั้งหลายเป็นที่ที่จิตประสงค์ต้องการหรือเกี่ยวพันเข้าไปเนี่ยมันหล่อเลี้ยงอุปทานให้คนนั้นได้ไหมได้่ดางนั้นความเป็นที่คงอยู่จึงเป็นความเป็นที่ถูกหล่อเลี้ยงไว้แล้วด้วยกามาคุณพวกกามมาพบอีกประเภทหนึ่งไม่ยินดีในกามคุณแต่ไปยินดีในความสงบ นึกอยากแต่จะสงบใครเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาไม่สนใจอยากจะกินอะไรอร่อยด้วยอยากจะนั่งนิ่งวันคืนเขาขยันเที่ยวอยู่แต่ในอารมณ์ของความสงบสแสวงหาความวิเวกยินดีในความวิเวกยินดีในความสงบไม่ต้องการรสอเนจอร่อยอะไรในแบบของโลกหรือในแบบของกรมคุลคนที่ชอบแบบเนี้ยใจเขาจะนึกแต่จะทําอะไรอยากแต่จะนั่งสมาธิ อยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากแต่จะสงบอย่างนี้ตัดโลกไหมตัดเมื่อใจเขาพอใจยินดีพอใจยินดีมีความบันเทิงรื่นเริงในเรื่องของรูปสมาธิใจเขาต้องนึกถึงอยู่แต่กับอะไรรูปสมาธิถ้ายังไม่รู้ทมจริงๆก็จะยินดีพอใจในรูปสมาธิเขาเรียกรูปปราคะเลยติดใจ ในรถแห่งความสุขของสมาธิจนลืมอารมณ์ของกามบคุณในโลกไปเลยทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงหมดกามราคะนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งทำให้จิตนะั้นลืมอารมณ์ความสุขอริเรธอร่อยในแบบที่เกิดจากกามบุคุณในโลกไปเลยเนะพราะได้เสพรสของรูปสมาธิสมาธิในชั้นที่นำพาให้จิตนั้นสงบอิ่มนิ่ง นำพาความพอใจนำพาจิตให้เที่ยวไปให้เกาะกำหนดให้ใส่ใจให้พอใจให้อยู่กับสมาธิเป็นอันมากเมื่ออยู่กับสมาธิเป็นมากจริงจังพอใจยินดีกับสมาธิเป็นอันมากเนี่ยความต้องการในเรื่องของสมาธิเนี่ยจะมีอยู่ประจำกับเขาไหมมีเพราะสมาธิเมื่อเลิกทำก็ดับดับก็ต้องทา เมื่อออกมาก็ดับดับก็ต้องทําเมื่อติดใจในรถรูปสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นสิ่งเกิดดับไหมเกิดดับเมื่อเกิดแล้วดับต้องทำเรื่อยๆไหมทําเรื่อยๆเมื่อทําเรื่อยๆเนี่ยเกิดแล้วต้องดับคนนั้นต้องห่วงกังวลในเรื่องสมาธิไหมก็ต้องห่วงใจก็ผูกพันไว้กับเรื่องของสมาธิดังนั้นเมื่อผูกพันเอาไว้ด้วยความพอใจยินดีใจก็จะยังต้องการ จิตใจทั้งต้องการทั้งติดใจทั้งอาลัยทั้งห่วงทั้งชอบจิตอย่างนี้มีอุปท า, านไหมมีเมื่อมีอุปท า, านตั้งอยู่กับรูปสมาธิเนี่ยสัญญาในรูปสมาธิสัญญาโดยความเป็นตัวบุคคลตัวตนในตนเนี่ยจะยังมีไหมมีอยู่แล้วดังนั้นรูปสมาธิก็หล่อเลี้ยงภูมิให้คงอยู่ในแบบที่ยังมีความเป็น ที่ยังมีความเป็นที่ถูกหล่อเลี้ยงไว้แล้วด้วยรูปสมาธิซึ่งเป็นส่วนที่แยกออกไปจากการมคุณก็เรียกพวกนี้ว่ารูปภพยังมีความเป็นที่ถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยอารมณ์ของความยินดีในธรรมอารมณ์ชั้นรูปสมาธิจะพวกรูปภพ ยินดีในรูปสมาธิเขาก็เดี๋ยวก็นึกแต่จะเข้าสมาธินึกแต่จะเข้าสมาธิถูกอืมกับอีกระดับหนึ่งที่มีอยู่ในโลกในโลกในยุคพุทธกาลนี้เขาก็จะมีให้เห็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับของการยินดีในกามกับกลุ่มบุคคลที่ยินดีในรูปสมาธิเพะไปได้แค่นั้น แต่ก็มีอีกบางกลุ่มบุคคลเขาไม่เอารูปสมาธิเข้าไปถึงในระดับของอรูปสมาธิในเขตขั้นที่จิตนั้นเบาบางเต็มที่แล้วยินดีในอารมณ์ละเอียดของสมาธิชั้นสูงตรงนั้นเป็นที่พอใจเมื่อเขายินดีพอใจในอรูปสมาธิเขาเรียกมีอรูปราคะอรหันต์เท่านั้นที่ทำลายสั่งยศคือรูปราคะและอรูปราคะได้เมื่อติดใจอะไรอยู่ เราจะยังต้องการสิ่งนั้นไหมต้องการคนติดใจในอรูปสมาธิใจก็จะยังต้องการต่ออรูปสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อต้องการสิ่งนั้นบุคคลนั้นวางอรูปไหมไม่วางเมื่อไม่วางใจก็ยังจะต้องทำในใจใจก็จะต้องส่งใจไปเพื่อประคองเพื่อรักษาเพื่อห่วงเพื่อกังวลต่ออรูปสมาธิ ซึ่งเป็นวิหารธรรมของตนคือต้องห่วงดังนั้นพอใจผูกไว้กับรูปสมาธิเขาก็เที่ยวท่องเที่ยวอยู่กับการกระทําซึ่งอรูปฌานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวประคองเดี๋ยวทรงพอจะเริ่มจางหน่อยก็เข้าใหม่พอจะเริ่มจางหน่อยก็เข้าใหม่มหก็เลยวพวกอรูปาวัจรภูมิยินดีอรูปฌานอยู่ก็เที่ยวอยู่กับอรูปสมาธิก็เรียกอรูปาวัจรภูมิมีภูมิของพวกอรูป ต้องตายก่อนไหมไม่ต้องตรงไม่ตายก็แล้วพวกเที่ยวไปอยู่ในการกระทําซึ่งอรูปสมาธิเดี๋ยวกันนึกแต่จะเข้าไปแช่ออกมาสบายตัวพอเริ่มจางนึกแต่จะเข้าเขาสนใจกรรมะคุณไหมไม่สนใจก ร, รมะคุณไม่สนใจเรื่องรูปสมาธิเป็นของหยาบไปเลยฉันไปได้ลึกกว่าก็พอใจในอรูปสมาธิ พอใจในสิ่งใดเขาก็เที่ยวอยู่กับสิ่งนั้นพอเที่ยวอยู่กับสิ่งนั้นเขาก็วนเวียนผูกพันอยู่กับมันแล้วก็มีมันนั่นแหละเป็นที่หล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันไม่ให้ดับสนิทติดใจในอรูปอรูปก็กลายเป็นสัญญาเพื่อที่หล่อเลี้ยงการคงอยู่ของวิญญาณติดใจในรูปรูปก็เป็นที่หล่อเลี้ยงสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของ วิญญาณติดใจในกามกามคุณทั้งหลายก็เป็นที่หล่อเลี้ยงสัญญาเพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณติดใจในกามหล่อเลี้ยงการคงอยู่ของขันไม่ให้ดับสนิทก็เรียกขันที่ดับไม่สนิทพวกนั้นว่าอยู่ในจําพวกกามภพติดใจรูปสมาธิพอใจยินดีในรูปสมาธิก็เรียกพวกตะกูลพวกนี้ว่าพวกรูปภพ ติดใจในอรูปสมาธิก็เรียกพวกนี้ว่าอรูปะพบคนเดียวมีทั้งสามภพเลยไหมยังคนหนึ่งมันจะต้องเป็นทางใดทางหนึ่งโดยมากจะอยู่ในเกรดของพวกกามภพบกามภพบนี่มีหลายชั้นไหมหลายชั้นเลยกามภพบเนี่ยตั้งแต่สวรรค์ลงมาเนี่ยพวกกามพบนั้นคำว่าความเป็น ความเป็นทั้งการมาพบรูปรพบอรูปรพบเนี่ยความเป็นเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนไหมมีความเป็นเหมือนกันไหมเห mm. มือนคือขันดับไม่สนิทเหมือนกันแต่ระดับความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ของภูมิจิตภูมิจิตนะเหมือนภูมิจิตระดับต่ำระดับกลางระดับสูงนี่เขาเรียกภูมิจิตกามาพบกับรูปรพบใครภูมิจิตสูงกว่ารูปพบ รูปภพกับอรูปภพอันไหนสูงกว่าอารูปภพมีภูมิจิตต่างกันแต่มีความเป็นเหมือนกันความเป็นเหมือนกันพอมีความเป็นเหมือนกันการดับไม่สนิทเหมือนกันการเกิดอีกต่อไปก็มีขึ้นเหมือนกันอย่งนั้นการมาพบรูปภพรูภพเนี่ยต้องรู้ด้วยอะไรปัญญาอีกแล้วต้องรู้ด้วยปัญญานังตรวจสิของเรามัน ถ้าจะเปน็นประมาณไหนอยู่จำพวกกลางปพบหรือจำพวกรูประพบหรืออรูประพบพบกับภูมินี่อันเดียวกันไหมไม่ภูมิคือที่ตั้งของจิตหรือระดับของจิตพบคือความเป็นพบคือสภาพความเป็นภูมิคือระดับของจิตคนนี้อยู่ภูมิสูงคนนี้ภูมิต่ำํำภูมิสูงภูมิต่ำฉะนั้นภูมินี่คือระดับของจิต พบคือความเป็นทีนี้ขันดับไม่สนิทก็เพราะว่ า, ย, า, วา ย, ยังไม่สิ้นความยึดถือยังไม่สิ้นความยึดถือเหตุที่ยังไม่สิ้นความยึดถือเพราะยังไม่สิ้นความต้องการเพราะมีตัณหาจึงมีบาทานและเหตุที่ยังต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยเพราะเพราะต้องการเพราะมุ่งประสงค์ในความสุขหรือผ่านพ้นความทุกข์ก็คือเพราะมีเวทนาจึงมีความต้องการ เวทนาในที่นี้พุทธเจ้าก็แจกออกไปอีกว่ามีหกทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหตุที่มีเวทนาเพราะมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมี ส, สลายยตนะสลาสละนี่แปลว่าหกนะเดี๋ยวโยมจะงงสลายยตนกะกับอายยตนะนี่ใช้ตัวเดียวกันไหมตัว mm hmm. เดียวกัน อายตนะหกเขาก็เรียกว่าสลายัายตนะอายตนะก็ได้แก่ตาหูจมูกและไก่ใจใจนี้หมายถึงขันกี่ขันสี่ขันอายตนะคือใจจะต้องทำให้เกิดผัสสะทางใจได้ด้วยดังนั้นผัสสะทางใจจะเกิดคือต้องมีหนึ่งตัวรู้ละและต้องรู้อยู่กับสัญญาเวทนาสังขารสามตัว การรู้ต่อสัญญาเวทนาสังขารจึงทำให้เกิดอายตนะตัวที่หกคือใจและกลายเป็นผัสสะทางใจได้คำว่าใจทีนี้จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะต้องมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปก็คือร่างกายร่างกายทาให้เกิด ตาหูจมูกลิ้นกายนามก็คือสัญญาเวทนาเจตนาผสัสสะ ม, มนานัสสิกานซึ่งก็คือย่อเข้าใจง่ายก็คือสัญญาเวทนาสังขารพอมีนามรูปจึงทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนามทําให้เกิดใจรูปทําให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมและพออะไรเล่าเป็นบจดใจจึงทํำให้มีนามรูป ก็บพบ ว, ว่าเพราะมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีนามรูปถ้าไม่มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรูปนั้นก็จะไม่อาจทําหน้าที่เป็นผัสสะได้เลยรูปนั้นไม่อาจจะทําให้มีซึ่งอายตนะที่ก่อให้เกิดการสัมผัสและรู้สึกใดๆขึ้นได้ดังนั้น รูปจะต้องเป็นรูปที่มีผลต่อการให้บุคคลนั้นเกิดอายตนะที่สัมผัสและเกิดเวทนาได้แต่ถ้ามันเป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณรู้ตั้งอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยหมายถึงรูปนั้นทำงานไหมไม่ทำงานรูปที่ไม่มีวิญญาณตั้งอยู่ก็หมายถึงรูปนั้นมันดับคือคนตายเท่านั้นนั้นจะเรียกว่ามีรูป ที่พร้อมจะเกิดการสัมผัสสิ่งต่างๆได้เนี่ยหรืออายตนะทํางานจะต้องเป็นรูปที่มีการมีอยู่ของเจ้าวิญญาณด้วยคือรูปที่มีวิญญาณครองด้วยไม่งั้นก็คือคนตายนะคนตายอายตนะทํางานไหมไม่ทาํางานเมื่อไม่ทํางานเวทนาก็ไม่มีนะผัสสะไม่เกิดเวทนาไม่มีนั้นจะมีนามรูปจะต้องมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่จึงมีรูป แล้วก็มีวิญญาณรู้ทางใจจึงจะมีนามเพราะถ้าไม่มีวิญญาณรู้ทางใจเนี่ยก็หมายถึงว่าสัญญาเวทนาสังขารมันมีไหมไม่มีเพราะวิญญาณรู้ทางใจก็คือรู้อยู่กับสัญญาเวทนาสังขารรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทําให้สะท้อนการมีอยู่ของรูปรู้ทางใจหมายถึงสะท้อนการมีอยู่ของ นามถ้าไม่มีรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปมันดับถ้าไม่มีรู้ทางใจก็หมายถึงนามมันดับมีรู้ทางใจโดยไม่มีนามได้ไหมได้ั้มไม่ได้เพราะรู้ทางใจก็คือต้องกำลังรู้อยู่กับนามมีรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หมายถึงกำลังรู้อยู่กับรูปที่ยังไม่ดับถ้ารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับ ก็หมายถึงรูปมันดับถ้ารู้ทางใจก็ไม่มีก็หมายถึงนามมันดับดังนั้นถ้ามีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครบเลยเนี่ยจะไม่มีนามรูปได้ไหมไม่ได้แน่นะพอมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีนามรูป จึงมีนามรูปนะอันนี้มองเห็นนะนี่คือมุมหนึแล้วพระเจ้าก็มองต่อว่าเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็เพราะมีสังขารสังขารสามบางพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าแสดงเรื่องราวปฏิท่านมาสุดทางแค่สังขารท่านไม่ไปต่อจบแค่ตรงนี้ลหละเพราะคนเกิดมา มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยการทำหน้าที่ของสังขารสามก็จะทำหน้าที่เลยเป็นธรรมชาติเกิดมาก็มีลมหายใจเกิดมามีลมหายใจเกิดมามีการคิดเกิดมามีสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมิสิกานก่อตัวเลยถูกจุดขึ้นเลยนี้เป็นที่สุดของชีวิตคนทุกคนต้องมีเพราะ สังขารสคือระบบที่ผลิตนามรูปนามรูปขึ้นมาหรือผลิตรูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะมีได้ไหมไม่ได้ดังนั้นพอมีสังขารสก็หมายถึงว่าชีวิตเกิดมาจึงมีขันทั้งห้าเกิดมาปุ๊บจะได้ห้าขันเลยคําว่าห้าขันคือการ ทำงานของสังขารสามนั่นแหละคือการทําให้คนคนนั้นกลายเป็นบุคคลที่มีขันครบห้าขันเพราะว่าเมื่อกายสังขารทํางานก็คือรูปขันทํางานละวจีสังขารจิตจสังขารทํางานก็คือสัญญาเวทนาสังขารทํางานละและในขณะที่รูปเวทนาสัญญาสังขารทํางานวิญญาณขันอยู่ที่นั่นด้วยไหมอยู่ที่นั่นละครบห้าขันไหม พอเกิดมาแล้วเราได้มากี่ขันทันทีห้าขันนั้นสังขารสามคือธรรมชาติที่บุคคลผู้มีห้าขันเนี่ยเกิดมาแล้วต้องมีสังขารสามเลยเกิดมาได้สังขารสามมาก็คือได้ขันมากี่ขันห้าขันเพราะสังขารสามาให้เกิดการมีขึ้นของขันทั้งห้ากายยาสังขารลมจุดติดขึ้นมาทำให้รูประขันทาหน้าที่ละ วจีสังขารจิตตสังขารคือส่วนที่ทำให้เกิดสังขารละขันธ์ฉันคิดฉันกระทำในใจฉันจำฉันรู้สึกก็จะมีอยู่ในวจีสังขารและจิตตสังขารดังนั้นพอมาถึงตรงจุดที่ว่าเพราะมีสังขารสามเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยบางคำพูดเจ้าก็จบแค่ตรงนี้ กับบางครั้งพระเจ้าท่านไม่ใช้คําว่าสังขารสามพิจารณาปฏิติไม่เรื่อยๆจนมาถึงว่าเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็เพราะว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปถ้าปราศจากวิญญาณรู้เนี่ยรูปก็ดับนามก็ดับและถ้าปราศจากวิญญาณรู้เนี่ยนามก็แตกตัวไม่ได้อีกด้วยที่จะก่อใหม่ เพราะถโยมหมดสภาพรู้เนี่ยการก่อใหม่ของสัญญาเวทนาสังขารมีได้ไหมไม่ได้การก่อใหม่ก็มีไม่ไดนะ้วิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับก็หมายถึงรูปก็ดับก่อใหม่ก็ก่อไม่ได้ทีนี้พระุทธเจ้าม อ, มองว่าเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปกระพบว่าเพราะมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ต่อมาพอมองต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรเล่าเ ป, ป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณบางพระสูตรท่านให้คำตอบตัวเองว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตรงนี้เป็นยังไงถ้าเรามองให้ดีนะจะเห็นว่าถ้าพระองค์มาควานหาว่าเพราะอะไรเ ป, ป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ ก็เพราะมีนามรูปอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆต้องตอบว่าสังขารสามถูกไหมแต่ถ้ามองสังขารสามให้ดีจริงๆเนี่ยสังขารสามมองในมุมของการได้เห็นว่าคือนามรูปเนี่ยได้ไหมได้เพราะสังขารสามก็คือนามรูป สังขารสามคือระบบผลิตเจ้ารูปกายสังขารสร้างรูปวจีสังขารจิตสังขารสร้างนามเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปกับพอมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเนี่ยใช่อันเดียวกันัหมเอาใหม่ใช่สา บางครั้งพระองค์ใช้คําว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปและพอมองต่อไปอีกก็เพราะว่าเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณกับบางครั้งใช้คําว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีสังขารสาจึงมีวิญญาณตรงสังขารสเนี่ยคือนามรูปได้ไหมได้เพราะกา ย, ยาสังขารก็คือระบบของการผลิตรูป วจีสังขารจิตตสังขารคือผลิตนามพอมีรูปเกิดขึ้นรู้รูปมาเลยพอมีนามเกิดขึ้นรู้นามมาเลยพอมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอยู่ด้วยกันอย่างนี้ถ้านามรูปดับเงาของนามรูปก็คือวิญญาณมันจะดับไปด้วยไหมดับถ้านามรูปดับ รู้ต่อนามรูปก็ต้องดับถ้ารู้ต่อนามรูปยังมีแต่จะไม่ให้มีนามรูปได้ไหมไม่ได้นั้นถ้ายังมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ยจะไม่มีนามรูปได้ไหมเอาใหม่นะช้าชาช้าถ้ายังมีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ยจะไม่มีนามรูปได้ไหมไม่ได้ นะแล้วถ้ามีนามรูปแต่จะไม่ให้มีวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยได้ไหมไก็ไม่ได้อีกเมื่อมีวิญญาณก็จะต้องมีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็จะต้องมีวิญญาณท่านปัสสัลิบุตรเปรียบวิญญาณกับนามรูปเนี่ยเหมือนไม้อ้อพิงกันสองท่อนไม้อ้อสองท่อนวางพิงกันเฉียงเฉียงเขาจึงตั้งอยู่ได้ แล้วตั้งอยู่คือตั้งอยู่ได้ด้วยกันแต่ถ้าท่อนหนึ่งล้มไปอีกท่อนหนึ่งจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ละถ้ามีวิญญาณตั้งอยู่วิญญาณนั้นก็ต้องอาศัยนามรูปในการตั้งอยู่และถ้านามรูปยังมีอยู่จะไม่มีเงาของมันได้ไหมก็ไม่ได้อีกงั้นเมื่อมีนามรูปก็จะมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็จะมีนามรูป บางพระสูตรพระองค์ก็จบแค่นี้เพราะมีอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็เพราะมีสังขารสามจึงมีวิญญาณบางทีจบแค่สังขารกับบางทีมาใช้ว่าเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณก็เพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณ อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันแต่ก็มีสูตรในวันเซวยมุติสุที่เลยสังขารไปอีกว่าเพราะอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีสังขารก็เพราะว่าเพราะมีอวิชชาภาะวะที่ยังไม่มีความรู้ในอริยสัจจึงทำให้มีสังขารสานะไม่มีความรู้ในอริยสัจจึงทำให้มีขันห้า สังขารสามใช้ขันห้าไหมชัวร์นะไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะก็เนะี่นั้นคนเราเกิดมาจะมีขันห้าเนี่ยก็จะต้องมีอะไรขึ้นมาสังขารสามพอเกิดมาสังขารทํางานนั้นบอกให้รู้ว่าคนนั้นเกิดมามีขันห้าขันถ้าเกิดมาแล้วสังขารสามไม่ทํางานเนี่ยมันจะมีห้าขันไหม ก็ไม่มีนี่คือทุกคนที่เกิดธรรมชาติจะได้มาเลยคือสังขารสามจะต้องมีจะต้องมีทีนี้พระอระหันต์ผู้บรรลุ ถ, ถึงความสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือรู้แจ้งอริยสัจแล้วเนี่ยพอรู้แจ้งอริยสัจหมายถึงอวิชาดับยังอาดับสิ เพราะว่าอาวิชชาในที่นี้คือภาวะที่ไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจยังไม่รู้แจ้งทุกเหตุกับทุกความดับทุกทางให้ได้มาถึงความดับทุกเนี่ยการยังไม่มีญาณอย่างรู้ในระดับความรู้เรื่องอริยสัจจึงทําให้บุคคลนั้นยังมีสังขารสามนี่คือในเนื้อหาของผมโซปติเพราะมีอวิชชาจึงมี สังขารสามทีนี้พระอรหันเนี่ยพอตรัสรู้แล้วรู้แจ้งอริยสัจแล้วรู้แจ้งอริยสัจแล้วอวิชชาดับยังทันทีที่ตรัสรู้รู้แจ้งอริยสัจนั่นคืออวิชชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นวิชาปัญญาแสงสว่างจักสุได้เกิดขึ้นอวิชชาสิ้นไป ด้วยการแทนที่ของวิชาอาวิชาเป็นสิ่งที่ละไม่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะนะอวิชาคือภาวะที่ยังไม่มีความรู้อริยสัจเนี่ยจะหมดไปได้ด้วยการแทนที่เท่านั้นอย่างตอนเนี้โยมเกิดมาเนี่ยใครเกิดมาแล้วมีอริยสัจ ต, ติดมาด้วยไหมไม่มียังไม่มีเมื่อยังไม่มีก็เรียกว่ายังมีอวิชาอาวิชาคือภาวะที่ ยังไม่มีวิชาคาว่ามีวิชาก็คือมีความรู้เรื่องอริยสัจนี้การจะมีความรู้เรื่องอริยสัจมีได้ยังไงก็คือผ่านดันคืนไปศึกษากระทาวิปัสนาจนเริ่มเห็นแจ้งทุกข์เห็นแจ้งเหตุเกิดทุกข์เห็นแจ้งความดับทุกข์เห็นแจ้งมรรคขึ้นมาพอสร้างความรู้ในอริยสัจจนเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยพลังวิปัสนาแล้วเนี่ย ก็เรียกว่าบุคคลนั้นเกิดญาณทัศน์ชั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอย่างสมบูรณ์เพราะเกิดขึ้นรู้แจ้งจบครบถ้วนสมบูรณ์ความไม่รู้จะยังอยู่ไหมไม่อยู่นั้นความไม่รู้ตัวเนี้ยหมดไปเพราะละหรือหมดไปเพราะถูกแทนที่ละได้ไหมเอาสติไปสู้กับการไม่รู้อริยสัจได้ไหมไม่ได้พไม่รู้จะสู้ยังไงไม่รู้จะละยังไง เพราะอาวิชชาหรือความที่ยังไม่มีความรู้หมดไปได้ด้วยมุมเดียวเท่านั้นคือการต้องสร้างความรู้อวิชชาเขาไม่ใช่เอาไว้ละไม่ใช่สิ่งที่ละด้วยสติหรือสัมปชัญญะเพราะต้องรู้จักหน้าตาอาวิชชาด้วยถ้าถามพพุทธเจ้าว่าอาวิชชาคืออะไรท่านก็จะตอบว่า ภาวะที่ไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจบางคนเอาอวิชากับโมหะมาปนกันอีกอวิชากับโมหะคนละตัวกันนะอวิชาคือภาวะที่ยังไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจและพราะยังไม่รู้เรื่องอริยสัจจึงทำให้เกิดราคะโทสะโมหะสามตัวโมหะคือเห็นผิดเห็นผิดเพราะยังไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจ การยังไม่มีความรู้เรื่องไรยศาสตร์กับความเห็นผิดเนี่ยใช่ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมยังมีประจักหน้าอีกคนละตัวเพราะยังไม่มีความรู้เพราะฉันยังไม่ได้ศึกษาจึงยังไม่มีความรู้เพราะยังไม่มีความรู้จึงยังเห็นผิดอยู่จึงยังเข้าใจผิดอยู่จึงยังสำคัญผิดอยู่ต้องเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกโมหะเหตุที่เห็นผิดเพราะอะไร ยังไม่มีวิชาตรงยังไม่มีวิชาเขาใช้คําว่ามีอวิชาอาวิชาไม่ได้แปลว่าโง่แต่แปลว่ายังไม่มีวิชาเพราะยังไม่มีวิชาจึงยังเห็นผิดอยู่เพราะก็ไม่เคยรู้มาก่อนจึงเลยเข้าใจผิดอยู่เข้าใจโดยความเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเข้าใจอะไรต่างๆนี่ก็เรียกมีโมหะ โมหะวิชาใช่ตัวเดียวกันไหมอย่างตัวเดียวกันอีกโมหะขวิชาคนละตัวแล้วนะคนละตัวเพราะมีวิชาจึงมีราคะโทสะโมหะสิ้นอวิชาราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปมันอยู่คนละระดับอวิชานั้นสูงสุดอยู่อยู่เป็นหัวเลยเป็นรากของทุกสิ่งเลยคืออวิชชา ทีนี้พระอรหันต์เมื่อสิ้นอวิชชาแล้วถ้าไม่สิ้นอวิชชาจะบรรลุอรหันต์ได้ไหมไม่ได้ความหลุดพ้นที่สมบูรณ์หมายถึงอรหันต์นั้นต้องสิ้นอวิชชาต้องมีวิชาคือความรู้อริยสัจแล้วเมื่อมีวิชาอาวิชชาดับไปอวิชชาดับไปมีวิชาแทนที่เนี่ยท่านต้องบรรลุอรหันต์ถูกไหม เมื่อบรลุอาหารและอวิชชาดับไปเนี่ยสังขารทั้งสามมันจะดับไปด้วยไหม <c oughs> ทันทีที่หลุดพ้นนี่คืออวิชชาดับแล้วนะอวิชชาดับไปเนี่ยสังขารสามจะดับไหมไม่ดับอสังขารสามดับไปด้วยวิราคธรรม สังขารสมนั้นจะต้องดับไปแน่นอนแต่ไม่ดับทันทีทั้งหมดถ้ายัางไม่สิ้นลมแต่จะดับสนิทบริบูรณ์เมื่อถึงการจะปรินิพานมีการดับสนิทลงไปอย่างสมบูรณ์จริงๆเมื่อสิ้นลมตังนั้นจะมีการทำงานของสังขารสามทรงอยู่เป็นครั้งสุดท้าย ลเหลือขันห้านี้เป็นครั้งสุดท้ายขันห้าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเป็นครั้งสุดท้ายการเกิดอีกต่อไปไม่มีท่านสามารถทำให้สังขารสามดับได้สนิทในอัตภาพนี้แต่คำว่าดับสนิทของท่านเนี่ยจะดับสนิทบริบูรณ์เมื่อถึงการปรินิพานถึงการปณิพานดับได้แล้วแต่ มันยังดับได้ไม่ทั้งหมดทันทีที่หลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหาเนี่ยท่านทำให้จิตตาสังขารวาจีสังขารดับได้ก่อนสามารถทรงอารมณ์ที่จะเห็นการดับระงับลงของวจีสังขารจิตตาสังขารได้แล้วก่อนตายแต่เนื่องจากเจ้ารูปขันมันยังสมดุลอยู่ลมหายใจจึงยังไม่ดับเมื่อลมหายใจยังไม่ดับ กายสังขารมันจะดับไหมกายสังขารของพระละหัน์ไม่ดับได้แค่ละ ง, งับกายสังขารจะดับใช้กับคนตายเท่านั้นผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยไม่ใช่ลมดับแต่ลมละ ง, งับนะลมละ ง, งับความละ ง, งับสูงสุดในระดับที่การมีชีวิตจะทําให้มันเกิดได้เนี่ยก็คือความละ ง, งับของฌานที่สี่ นี่คือสูงสุดของการระ ง, งับแห่งลมกับบุคคลที่ยังไม่ตายลมยังระ ง, งับไม่ใช่ดับแต่ส่วนที่ดับคือส่วนที่เป็นในทางจิตได้แก่การปรุงของจิตจิตตสังขารดับวจีสังขารดับแต่ลมไม่ดับแค่ระ ง, งับลมระ ง, งับกายไม่ดับรู้จะยังอยู่ัหมอยู่ วจีสังขารดับจิตตสังขารดับการรู้ต่อจิตมีไหมไม่มีละแต่เหลือที่จะรู้ต่อรูปเพราะรูปไม่ดับนั้นอารมณ์สัญญาเวทียตานิโรธเนี่ยยังเหลือรู้ที่ทรงตัวเพราะรูปไม่ดับเป็นการทรงรู้อยู่กับรูปที่ไม่ดับเนี่ยจึงสัมผัสถึงความดับของสัญญาเวทนาเจตนาผสมนาสิกานโดยไม่ใช่หลับถ้าหลับนี้เหลือรู้ไหมถ้าหลับนี้เหลือรู้ไหม ถ้าหลับหลับก็คือหายเลยนะรู้เนะี่ยแต่สัญญาเวทยียตนิโรธเนี่ยเขาไม่ได้หลับเขาเหลือรู้เพราะรูปไม่ดับบนการทรงบนความดับไปของสัญญาเวทนาเจตนาผสมนุสิการและการหยุดลงของคลองแห่งความพูดการคิดหรือวิตกวิจารณ์ทั้งหลายเนี่ยทำให้สัมผัสอารมณ์ที่พ้นไปจาก การมีอยู่ของสัญญาเวทนาสังขารและการเข้าถึงอารมณ์ส่วนเนี้ยและทรงบนอารมณ์เนี้ทำให้รู้ได้ว่าการมีอยู่ของวิญญาณที่ยังอยู่เพราะว่ารูปไม่ดับและเมื่อใดก็ตามสิ้นรูปไปแล้วจิตทรงบนความระ ง, งับสัญญาเวทนาสังขารได้เนี่ยหมายถึงขันจะดับสนิทัหมสนิทเป็นอัตตภาพสุดท้ายเลยนั้นพระอรหันต พอปฏิบัติมาจนถึงจุดที่มีวิชาสมบูรณ์ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิราคธรรมคือความจางคลายหรือความสิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาจิตก็จะหยุดระ ง, งับการปรุงแต่งจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะดับเจตนาเนี่ยมันมีวิธีดับอยู่มุมเดียวเท่านั้นที่ทำให้ความตั้งใจมันดับ เราตั้งใจจะดับความตั้งใจมันดับได้ไหมไม่ได้ตัวตั้งใจนี้ดับไม่ได้เลยสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมานิสิการเนี่ยนี้เป็นกลุ่มของจิตที่ยังทรงตัวมายาวนานไม่เคยขาดช่วงเลยจนมาถึงจุดสุดท้ายที่ทําให้เจ้าสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมานิสิการดับได้ นั่นคืออารมณ์ของสัญญาเวทยิตนิโรธหรืออารมณ์ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์หรือความสิ้นตัณหาทีนี้ถ้าจะดับสัญญาเวทนาก็ต้องดับที่ผัสสะผัสสะคือการกระทบถึงผัสสะจะหยุดลงไปเมื่อจิตนั้นไม่ขยับกิริยาใดๆทั้งสิ้นอย่างเช่นตาถึงภาพเนี่ยแต่จิตมันไม่ไปเนี่ย มันจะมีแต่ภาษาตาแต่จิตมันจะไม่มีสัญญาเวทนาทำได้ไหมมองลำพงอย่าให้จาได้ว่าลโพงมองให้ลูกตาไปแต่อย่าให้จิตอยู่กับที่ทำได้ไหมไม่แน่ใจลองกัน้นหายใจลูกตามันจะไปแต่จิตไม่ไปลองกั้นแล้วมองลำพงสิมีคำว่าลำพงไหมลองกัน้นหายใจแล้วมองอะไรเนี่ยมันจะมีคำว่าอะไรไหมลองมองดูดิมีไหม กัน้นหายใจแล้วมองมองอาจารย์ก็ได้กันแล้วมองโยมจะพบความเงียบถูกั้มมีคำพูดไหมไม่มีเพราะจิตไม่มาแต่ลูกตามานะจิตไม่มาแต่ลูกตามาจิตไม่มาเพราะไปอยู่ตรงการกัน้นพอกัน้นจิตจึงไปเกาะที่กัน้นแต่ลูกตาเปิดออกดังนั้นพอลูกตาเปิดออกจึงไม่มีการปรุงสัมผัสทางตา พราอไปจ่ออยู่กับการกัน้นจึงไม่มีคำว่าอะไรจรึงไม่มีคำสัญญาใดๆผุดขึ้นว่าอะไรสัญญานี้ต้องมีถ้อยคำอย่างเช่นก้อนหินลาโพงถูกไหนี่คือถ้อยคำของสัญญาโยมกลั้นหายใจปั๊บเนี่ยจิตเกาะที่กัน้นแล้วยมลองมองดูจะไม่มีคำว่าต้นไม้ไม่มีคำว่าทองฟ้าไม่มีคำว่าอะไรทั้งนั้น ใช่ไหมดูของจริง น, นี่จำลองให้ดูทีนี้ไอ้ตรงกั้นเนี่ยจิตมันไม่น้อมไปในภาพเมื่อไม่น้อมไปในภาพจิตไม่ได้สัมผัสแต่ตาสัมผัสเขาเรียกมีตาสัมผัสเขาเรียกว่าปาติคะสัมผัสแต่ถ้าไม่กัน้นปล่อยตามธรรมชาติจิตจะสัมผัส ด, ด้วยสัมผัสแล้วเกิดถ้อยคำสัญญาหรือ ว, ว่าอะไรคืออะไร ภาษาธรรมที่ละเอียดเขาใช้คำว่าอธิวัจนะสัมผัสคือสัมผัสแล้วมีถ้อยคาขึ้นในใจได้ด้วยวัจนะคือถ้อยคานี่คือการสัมผัสชั้นละเอียดแต่อรหันเนี่ยสามารถดับอธิวัจนะสัมผัสได้แต่เหลือปฏิคะสัมผัสอยู่คือประสาทยังไม่ดับเนี่ยเห็นแต่ว่าจิตหยุดปรุงเป็นการหยุดโดยที่ไม่ได้กั้นหายใจ หยุดเพราะจิตหยุดตัวเองโดยไม่ต้องการอะไรเนี่ยไม่ได้เกาะภายในและไม่น้อมไปภายนอกทรงตัวกับการหยุดเฉยเพราะระ ง, งับตัวเรียบเฉยการหยุดอยู่เฉยจริงนะไม่ขาดการเชื่อมต่อที่จิตจะน้อมไปสัมผัสในสิ่งทั้งหลายเมื่อไม่สัมผัสสัญญาว่าอะไรก็ไม่เกิดเมื่อไม่จําหมายอะไรการสวยอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏนี่คือ ผัสสะดับอันนี้ผัสสะดับในที่นี้คืออธิวัจนะสัมผัสมันดับไม่มีผัสสะทีนี้เราผัสสะทั้งตาดับได้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเรากั้นไว้จิตจริงไม่ผ่านลูกตาไปไปแต่ลูกตาสัญญาว่าอะไรที่จะเกิดเพราะตาเห็นจริงมีหรือไม่มีไม่มี แต่จิตที่หยุดปรุงเพราะไม่ต้องการก็ดับผัสสะได้เช่นเดียวกันนี้พอไม่ต้องการจิตก็จะหยุดตัวเองหยุดระงับตัวเองหยุดพอหยุดกับตัวเองโดยไม่ต้องการเนี่ยไม่น้อมไปในภาพในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งทั้งปวงเนี่ยการสัมผัสจะมีได้ไ้ยไม่น้อมไปจะมีได้ไั้ย ไม่ได้เมื่อไม่มีการสัมผัสสัญญาเวทนาสังขารก็ไม่ก่อเกิดนี่คือพัรษาดับทีนี้พัรษะจะดับจิตต้องหยุดตัวเองมุมเดียวเท่านั้นหยุดกิเลานะการหยุดกิิลาก็คือต้องดับเจตนาถ้าเจตนาไม่ดับกิิลาจะไม่หยุดพัรษะจะไม่ขาด จิตยังเคลื่อนไปยังน้อมไปเขาจึงเรียกจิตที่หลุดพ้นว่าเจโตวิมุตเข้าถึงเจโตวิมุตเข้าถึงความหลุดพ้นจากเจตนานจิตสิ้นเจตนาสิ้นความตั้งใจเียเข้าถึงจิตชนิดที่เป็นเจโตวิมุตคือเจตนามันดับทีนี้เจตนาจะดับมีมุมเดียวคือต้องดับไปที่มาสิกา ยังจำได้โชคดีจังอ ย, อยู่ที่มนานัสิการพอมนานัสิการคือการกระทำในทางใจทุกการกระทำจะต้องใช้อะไรขับเคลื่อนให้การกระทำเกิดเจตนาหรือความตั้งใจนะเช่นเวลาโยมจะพูดการพูดก็จะมีเจตนาขับให้เกิดการพูดขึ้นมาถ้าหยุดพูด เจตนาที่จะส่งการพูดให้เกิดเนี่ยถูกดับไปด้วยมหมเพราะโยมไม่พูดมันจะต้องใช้เจตนาไหมเหมือนรถไม่วิ่งจะต้องต้องใช้น้ํามันไหมไม่ต้องเมื่อไม่พูดเจตนามันได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เมื่อไม่ได้ใช้มันจะก่อตัวไหมถ้าไม่คิดเจตนาที่จะขับการคิดเนี่ยมันจะมีไหมไม่มีถ้าไม่เคลื่อนไหวทางกายเจตนาที่จะส่งให้กายขยับมันจะมีไหม ถ้าไม่มีการกระทําในใจใดๆเลยหยุดการกระทําในใจหยุดระงับกิริยาการกระทำในใจเจตนามันจะดับไหมจิตที่จะหยุดกิริยาก็คือจิตที่เข้าถึงอารมณ์ไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงพอเข้าถึงอารมณ์ที่ไม่ต้องการเนี่ยจิตมันจะเฉยแล้วหยุด พอเฉยหยุดที่แท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยกิริยาของจิตหรือมนสิการมันหยุดพอมนสิการมันหยุดเจตนามันจะมีไหมไม่มีตรงนั้นจึงเป็นความดับเจตนาโดยสมบูรณ์และในภาวะที่เจตนาดับตรงนั้นมนสิการดับไหมดับเจตนาดับมนสิการดับจิตก็หยุดระ ง, งับตัวเองทรงความหยุดระ ง, งับเมื่อหยุดระ ง, งับตรงนั้นผัสสะขาดไหม เมื่อไม่มีการสัมผัสในลมตนเองสัญญาเวทนาจะมีไหมไม่มีนั้นสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมณสิกานเนี่ยจะดับได้ด้วยอารมณ์เดียวเลยคืออารมณ์ของความไม่ต้องการสิ่งใดโดยแท้จริงหรือความสิ้นตัณหาเท่านั้นไม่มีช่องอื่นเลยต้องเข้าช่องเดียวนี้เท่านั้นจึงดับจิตตะสังขารได้ เราจะทำใจให้ลืมตั้งใจที่จะไม่ให้จำเนี่ยตรงนั้นมีเจตนาไหมมีไม่มีช่องไหนดับเจตนาได้นอกจากความสิ้นตัณหาในภายใน อ, อย่างอะไรกระทบรู้ทันแล้วละรู้ทันแล้วละรู้ทันแล้วละเนี่ยมันจะทำให้จิตกายเป็นเจตโวมุตได้ไหมไม่ได้ต้องทำให้จิตถึงอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกว่า ไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอให้สำเร็จอย่างเดียวเท่านั้นเลยอย่างเดียวเท่านั้นจิตจึงกลายเป็นเจโตวิมุตต์โดยหลุดพ้นได้ทีนี้พระอรหันเนี่ยพอมีความสิ้นตัณหา สิ่งที่เกิดกับกิริยาของจิตท่านคือจิตท่านก็จะเข้าถึงอารมณ์ที่ดับสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนสิการถูกไหมเพราะตัณหาดับเพราะรู้แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัแจแล้วเนี่ยจิตก็เบื่อนายคลายกำหนัดเมื่อคลายความต้องการหมดความต้องการจิตตัดสังขารก็ดับไม่ดับได้ไหม ไม่ได้เพระหมดความต้องการโดยสมบูรณ์จิตต้องดับจิตตะสังขารต้องดับเลยเมื่อจิตตะสังขารดับว่าจีสังขารจะเหลืออยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะจิตตะสังขา น, นี่ตัวละเอียดสุดยังดับตัวหยาบก็ไม่เหลือนะนะดังนั้นในภาวะที่จิตตะสังขารดับเพราะความสิ้นตัณหาเนี่ยสังขารสามที่เป็นปัจจัยให้มีวิญ ญ, ญาณเนี่ย จิตจสังขารดับวัจจีสังขารดับกายยะสังขารจะระงับเลยระงับเลยในขณะที่จิตสังขารดับภาวะนั้นกายยะสังขารต้องระงับและวัจจีสังขารดับเพราะจิตสังขารเป็นส่วนละเอียดสุดดับส่วนละเอียดสุดดับส่วนหยาบมันจะไม่ระงับได้ไหมไม่ได้จึงทำให้บุคคลที่เข้าถึงความสิ้นตัณหาเนี่ย สัมผัสถึงความระ ง, งับของสังขารสามได้เลยทันทีที่ตันหานั้นสิ้นไปพอตันหาสิ้นปับ๊บจิตตสังขารดับวัจีสังขารดับลมระ ง, งับเลยในภาวะที่ทรงอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงนิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์พอสิ้นตันหาก็ถึงนิพพานถูกไหมพอสิ้นตันหาจิตตสังขารก็ระ ง, งับ สัญญาเวทนาสังขารดับให้เห็นที่ความสิ้นตันหาดัางนั้นสังขารสามเนี่ยจะดับไปเมื่อตันหาดับไปตันหาจะดับไปเมื่อรู้อริยสัจทันทีที่รู้อริยสัจเมื่อนั้นตันหาจะดับพอตันหาดับสังขารสามก็ระงับพอสังขารสามระงับนั้นคือ นิพพานนิพพานอยู่ที่ความระ ง, งับสังขารเคยได้ยินไหมนิพพานอยู่ที่ความระ ง, งับสังขารก็มีนิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหาก็มีอา้าทีนี้ถ้าวิชาเกิดขึ้นอวิชาสิ้นไปสังขารทั้งสามก็จะดับไปด้วยวิราคธรรม สังขารสมเนี่ยจะดับด้วยวิราคธรรมเมื่อสังขารสามดับวิญญาณจึงดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปดับสลายตนะจึงดับทุกตัวเนี่ยตอนดับเนี่ยเขาดับได้เลยนะสังขารสมดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายตนะดับแต่ตรงสังขารจะดับเนี่ยเขาไม่ได้ดับเพราะอวิชชาดับถ้าใครละเอียดในเนื้อหานะเขาบอกว่า เมื่ออวิชชาสิ้นไปวิชชาเกิดขึ้นสังขารทั้งสามจึงสิ้นไปด้วยวิราคธรรมด้วยวิราคธรรมอะไรคือวิราคธรรมความหลุดพ้นสังขารทั้งสามจะสิ้นไปเมื่อจิตหลุดพ้นจากตัณหาเมื่อสังขารทั้งสามสิ้นไปวิญญาณก็ดับไปเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับ ทีนี้ถ้ายัางมีชีวิตอยู่ของพระอรหันต์เนี่ยการมองว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งสามเนี่ยใช่ไหมจริจริงอวิชชาไม่ได้ทำให้มีสังขารสามการไม่รู้อรยิยสัจไม่ได้ทำให้มีกายะสังขารวจีสังขารจิตตสังขาร กายสังขารวัีิสังขารจิตสังขารคือขันธ์ทั้ง5ที่ใครเกิดมาก็มีอยู่แล้วการจะรู้อริยสัจหรือไม่รู้อริยสัจไม่ได้เป็นปัจจัยให้มีสังขาร3แต่ว่าตราบเท่าที่คนยังไม่มีความรู้อริยสัจเนี่ยสังขารทั้ง3จะยังมีอยู่ไม่มีทางที่จะเข้าถึงจุดที่ทำให้ดับสนิทได้โดยแท้จริง สังขารสามเนี่ยจะยังมีถ้ายังไม่มีความรู้อริยสัจใช้คํานิดเดียวสังขารสามจะยัง ม, ถงมีถ้ายังไม่มีความรู้อริยสัจแต่ความไม่รู้ในอริยสัจ <ร asleep. S 2> ไม่ได้ทําให้เกิดสังขารสาแต่ความไม่รู้ในอริยสัจเนี่ยถ้าสิ้นไปได้เมื่อไหร่สังขารสามนั้นจะถูกทําให้สิ้นไปได้ในอัตภาพนี้ เพราะความหลุดพ้นด้วยวิราคธรรมแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นจิตจะเข้าถึงจุดที่ดับสัญญาเวทนาได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้สังขารสามเนี่ยจะดับสนิทได้ไหมไม่ได้ตายไปกายสังขารดับวัจจีสังขารจิตสังขารก็ยังอยู่ตามเดิมแล้วก็มาเกิดใหม่มีห้าขันมีห้าขันก็กายสังขารวัจจีสังขารจิตสังขารทางานอีกแล้ พอตายไปกายสังขารดับคือลมดับก็ยังเหลือว่าจีสังขารจิตสังขารอยู่อีกแล้วนี่คือธรรมดาสังขารสามไม่เคยดับอย่างแท้จริงได้เลยจะดับแท้จริงได้เมื่อสิ้นตัณหาเท่านั้นจึงทำให้อารมณ์จิตเข้าถึงจุดที่ดับจิตตะสังขารวาจีสังขารได้ทีนี้ถ้าบุคคล ยังไม่มีความรู้เรื่องอริยสัจคนนั้นจะหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้เมื่อหลุดพ้นไม่ได้จิตตสังขารจะดับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามีวิชาคือความรู้เรื่องอริยสัจขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนั้นหลุดพ้นจากความต้องการได้ไม้มได้พอสิ้นตัณหาได้ตรงนั้นก็เรียกมีวิราคาธรรม พอมีวิราคธรรมสังขารทั้งสาสามารถดับสนิทได้ในอัตภาพของชาตินี้ไหมมีชาติเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมมีสังขารสามทำงานเป็นชาติสุดท้ายได้ไหมได้ได้และถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยวจีสังขารจิตสังขารของท่านก็ยังทำงานอยู่ถึงแม้ถึงจุดที่เข้าสู่อารมณ์ที่ดับมันได้แล้วก็ตาม ไม่อพระเจ้าจะจําท่าน อ, อนน์ได้ไหม อ, อนน์จะพูดได้ไหมจะคิดได้ไหมไม่ได้นั้นวจีสังขารจิตสังขารยังอยู่เพราะขันทั้ง5้ามันดับหรื อ, อยังยังแต่สิ้นไปก็คือตันหาอุ ป, ปาทานที่จะเป็นตัวหล่อเลี้ยงขันให้สืบต่อนั่นแหละมันถูกทําลายแล้วในภายในรอการดับสนิทแท้จริงเมื่อสิ้นลมทีนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ขันมันยังไม่ดับแต่เขาถึงอารมณ์ที่ดับตัณหาได้แล้วและงับสัญญาเวทนาได้แล้วเนี่ยอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ท่านสามารถเข้าไปทรงอยู่ได้เมื่อต้องการอารมณ์ที่ดับขันดับละงับสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยสามารถเข้าไปทรงได้เมื่อต้องการเมื่อถอยออกจากการทรงก็คืนสู่ภาวะปกติที่ขันยังต้องทำไมอยู่ทางานอยู่เพราะยังไม่ตาย แต่การจะเข้าถึงการดับสนิทของเขาโดยสมบูรณ์เลยเนี่ยจะดับสนิทเมื่อไรปารินิพานดังนั้นท่านจะรู้ได้ว่าเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาสิ้นไปเนี่ยสังขารทั้งสามของท่านเนี่ยสามารถทำให้สิ้นไปได้แล้วดำลงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายแล้วเพราะมีวิราคธรรม มีความหลุดพ้นถ้ายังมีอวิชชาอยู่ยังไม่มีวิชาเมื่อนั้นสังขารทั้งสามของเราเนี่ยมันจะดับได้ไหมไม่ได้ถ้ายังไม่มีวิชาเมื่อนั้นยังไงก็ไม่หลุดพ้นเมื่อไม่หลุดพ้นสังขารสามก็ยังอยู่อยู่ครบเลยอวิชชาไม่ได้ทำให้เกิดสังขารสามสังขารสามคือระบบธรรมชาติอยู่แล้วที่เขามีของเขาอยู่แล้ว แต่ไอ้เจ้ามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่มีอะไรดับมันได้เลยมุมเดียวเลยที่มันจะดับได้สนิทเมื่อบุคคลนั้นทำจิตให้หลุดพ้นสิ้นความต้องการได้สำเร็จจิตตสังขารวจีสังขารจึงดับและจะหลุดพ้นได้ก็มีอีกมุมเดียวเท่านั้นคือต้องรู้แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัจ จึงทำให้เกิดวิราคธรรมคือจางคลายเมื่อจางคลายหลุดพ้นจึงทำให้เข้าถึงจุดที่สังขารทั้งสามดับไปได้มองเห็นการดับสนิทของสังขารสามได้เพราะมองเห็นความหลุดพ้นที่ตนเข้าถึงเนีย่ยรู้เห็นด้วยด้วยอะไรปัญญาอีกแล้วรู้ว่ า, าสังขารสามเนี่ยสามารถดับได้ พอวิชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นเนี่ยสังขารทั้งสามจึงดับไปด้วยวิราคธรรมทีนี้พอเห็นสังขารทั้งสามดับไปได้เนี่ยก็รู้ได้ว่าเมื่อสังขารสามดับวิญญาณจะดับไหมดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับสัญญาณก็ดับก็มองเห็นความดับอย่างนี้เอาใหมน่างงนะวิชาเนี่ยฟังแล้วก็จะวิชา ทไมอวิชชาทําให้เกิดสังขารสามหรือเปล่าไม่ใช่สังขารสามคือระบบชีวิตแต่สังขารสามจะยังมีถ้าคนนั้นยังไม่มีวิชาการยังไม่มีวิชาก็คือยังไม่รู้อริยสัจนั่นเองเมื่อยังไม่รู้อริยสัจสังขารสามก็จะยังมีอยู่แต่สังขารสามจะดับไป จะดับไปสิ้นไปเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงจิตที่ทําให้เจ้าสังขารสามระ ง, งับได้นั้นคือจิตที่สิ้นตัณหาแล้วการสิ้นตัณหามีภาวะเดียวเท่านั้นคือต้องรู้แจ้งอะไรอริยสัจอย่างเดียวเลยนั้นเมื่อใดรู้แจ้งอริยสัจเมื่อนั้นเขาถึงความสิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาจิตจึงระ ง, งับสังขาร น, นั้นคือสังขารทั้ง3ถูกดับไหม ูกดับไปด้วยวิราคธรรมเพราะรู้แจ้งอริยสัจดังนั้นถ้ามีอวิชชาสังขารสามก็ยังอยู่ถ้าวิชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นสังขารสามจึงดับไปด้วยวิราคธรมรมพอสังขารสามดับในที่นี้หมายถึงว่าสิ้นลมเลยมยพระอรหันต์เปล่าแต่ว่าเขาถึง ภาวะที่รู้ได้ว่าสังขารทั้งสามเนี่ยทาให้ถึงจุดสิ้นสุดเป็นอัตภาพสุดท้ายได้สำเร็จแล้วเขายังจะเกิดดับของเขาอยู่ช่วงเวลาที่ลมหายใจยังไม่ดับเท่านั้นเองแต่รู้ได้แล้วว่าทําให้สังขารทั้งสามดับสนิทได้แล้วด้วยปัญญานี่หมายถึงถ้าคนถึงก่อน นั้นมุมเดียวที่ทำให้สังขารสามดับสนิทได้ก็คือต้องเป็นยังไงต้องรู้แจ้งอริยสัจเท่านั้นถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจสังขารสามก็จะยังมีอยู่ไม่มีอะไรมาดับมันได้ดังนั้นการไม่รู้อริยสัจทำให้เกิดสังขารสามไหมไม่ได้ทำให้เกิดแต่การยังไม่รู้อริยสัจเนี่ยทำให้สังขารสามเนี่ยมันดับได้ไหม ไม่ได้นั้นสังขารสามจะยังมีเพราะยังมีอวิชชาสังขารทั้งสามดับไปเพราะอวิชชาดับไปเห็นภาพไหมเพราะวิชาดับไ ป, ออ ว, บไปวิชาเกิดขึ้นสังขารทั้งสามจึงดับสนิทได้ด้วยวิราคธรรมเพราะความหลุดพ้นเมื่อสังขารทั้งสามดับตายเลยไห ไม่ตายแต่คำว่าดับในที่นี้คือมองเห็นภาพได้ว่าสังขารสามนี้จะสิ้นสุดในอัตภาพนี้ได้สําเร็จได้สําเร็จขันห้าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือได้สําเร็จเพราะสังขารสามคือระบบผลิตอะไรขันขันห้าก็ไดนะ้เพราะเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมันก็ต้องมีวิญญาณนั่นแหะสังขารสมก็คือผลิตขันห้า ดับสังขารสามได้สนิทก็คือดับอะไรได้สนิทขันห้าได้สนิทปรินิพานได้สนิทเห็นพอมาถึงตรงนี้มามองต่ออะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีสังขารบางครั้งพระเจ้า ก, ก็มาสุดแค่สังขารขินี้แหละไม่ไปต่อหรอกผิดไหมไม่ผิดทีนี้ถ้าจะมองต่อกันจริงๆอะไรเล่าเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะยังไม่มีวิชา สังขารสามจึงไม่มีอะไรมันดับมันได้เพราะยังไม่มีวิชาภาษาธรรมก็เรียกว่ามีอวิชาจึงมีสังขารทีนี้ถ้ามีวิชารู้แจ้งอรยิยสัจขึ้นมาอาวิชชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นจะไม่หลุดพ้นได้ไหมไม่ได้ถ้ารู้อรยิยสัจจริงจริงมีวิชาสมบูรณ์จริงๆ ตันหาต้องสิ้นไปไม่งั้นตัววิชานั้ยมันของจริงหรือของปลอมของปลอมถ้าอวิชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นคนนั้นต้องมีอีกหนึ่งสิ่งคือวิมุตเมื่อวิชาสมบูรณ์วิมุติก็สมบูรณ์อวิชาสิ้นไปวิชาเกิดขึ้นสังขารทั้งสจึงดับไปด้วยวิราคธรรมนั่นก็คือความหลุดพ้นนั่นเองวิชาเกิดวิมุติเกิด เมื่อจิตทรงอยู่ด้วยอารมณ์ของวิมุตติหรือความหลุดพ้นจิตนั้นก็คือกำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นภาวะที่กำลังระ ง, งับสังขารหรือระ ง, งับสัญญาเวทนาเจตนาภาษามนาุษการนี่คือนิพพานดิบของคนที่ยังไม่ตายดังนั้นถ้าจะดับภพบดับชาติเนี่ยเรา จะทําให้สิ้นสุดชาติเลยเนี่ยสิ้นเกิดตายเนี่ยเราจะไปตัดวงจรตรงส่วนไหนของห่วงโซ่ปฏิติดได้บ้างทําให้การเกิดมันสิ้นเราจะตัดตรงไหนตัดตันหาเหรออ่าวช้าชาคิดดีๆคิดดีๆททำให้ชาติหรือการเกิดเนี่ยมันจบลงเนี่ยห่วงโซ่ปฏิติสิบเอ็ดอาการเนี่ยไปตัดตรงไหนได้บ้าง ไปผ่าตรงไหนได้บ้างะเรื่องการผาให้หน่อยผ่าที่ภ菩萨เนาะดับตรงไหนตรงภาษาเพราะว่าภาษาจะดับต้องดับที่อิจตนะดับตรงอิจตนะได้ไหมก็ไม่ได้เพราะอิจนะจะดับต้องดับที่อิจนะดับดับเริ่มงงแล้วเริ่มเลอะแล้วทำหม่ ช้าเราจะทําให้การเกิดสิ้นไปเนี่ยจะดับชาติต้องดับที่พบถูกไหมะจะดับพบต้องดับที่โอปท า, านจะดับโอปทานต้องดับที่จะดับตัณหาต้องดับที่เติมคงโอเคถ้าตอบตามตำลาเนี่ยโยมตอบผิด ถ้าจะดับตันหาต้องดับที่อวิชาอาวิชาอาวิชาดับตันหาดับพอตันหาดับมันจะวกกลับไปทำให้สังขารสามดับวิญญาณนามรูปสาระผัสสะเวทนาดับตั้งแต่สังขารวิญญาณนามรูปสานะผัสสะเวทนานี่คือหน้าตาของขันขันห้าตันหาอุปทานภพชาติเนี่ยนี่คือ เหตุเกิดขึ้นแห่งขันนะพอตันหาดับขันห้าดับพอเมื่อสังขารสามดับเนี่ยวิญญาณนามรูปสาริณนะาภาษาเวทนาดับไปเลยเพราะเป็นเนื้อเดียวกันเวทนามีเพราะต้องมีภาษาภาษามีต้องมีอิจตนะอิจตนะมีต้องมีนามรูปนามรูปมีต้องมีวิญญาณวิญญาณมีต้องมีสังขารถ้าสังขารสามดับเวทนาดับไหม ดับพื้นถึงเวทนาเลยสังขารสามดับที่ดับที่เวทนาเลยตัณหาดับสิ้นตัณหาทําให้สังขารสามดับได้ไหมได้สังขารสามจะดับได้ได้มุมเดียวคือที่ความสิ้นตัณหาเท่านั้นพอสิ้นตัณหาอุปทานสังขารสามจึงดับพอสังขารสามดับคือขันห้าดับเลยนะสังขารสามวิญญาณนำรูปพรนะนักภาษาเวทนานี้คือหน้าตาขัน หน้าตาของขันนะตัณหาเป็นเหตุของการสืบต่อของขันถ้าตัณหาดับอุปทานดับจิตก็จะเข้าถึงอารมณ์ที่ระ ง, งับสังขารนั้นก็คือวกกลับไปที่สังขารสามมันก็จะเข้าถึงความดับพอสังขารสามดับตอนนั้นจะทรงการระ ง, งับของขันห้าให้ปรากฏ นึกภาพออกไห ม, มการจะดับตัณหาไม่ได้ดับที่เวทนาเพราะโยมมีเวทนาเกิดดับตลอดตัณหาดับตามไหมไม่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เกิดดับตลอดทัณหาไม่ได้ดับตานะงงไหมอย่าเพิ่งไปงงนะอันนี้มันเป็นโครงสร้างที่พระเจ้าค้นคว้าตามวิถีแห่งจังหวะโครงสร้าง แต่ในมุมการดับจริงๆเนี่ยตัณหาจะดับไม่ใช่ไปดับที่เวทนาแต่ต้องไปดับที่อวิชชาพอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาสิ้นไปเนี่ยคนนั้นจะคลายตัณหาพอใครตัณหาตัณหาดับอุปาทานก็ดับพอตัณหาประธานดับจิตมันว่างไหมว่างไหมห่นอว่างสิ้นตัณหาจิตที่ทรงบนความสิ้นตัณหาเนี่ย ก็เป็นจิตที่หยุดและวางทุกสิ่งพอสิ้นตันหาก็ทำให้สิ้นอะไรไปด้วยอุปาทานจิตทั้งหยุดและวางจึงว่างระงับเป็นความระงับสังขารเลยทาให้สังขารสามดับเนี่ยพอสิ้นตันหจิตจึงกลายเป็นวิสังขารคือหยุดระงับทีนี้จะสิ้นตันหาก็เพราะว่าอาวิชาดับอวิชาดับตันหดับอุปาทานดับ ถ้ายังไม่ตายจิตก็จะเป็นจิตที่เข้าถึงความระ ง, งับสังขารก่อนตายนั่นก็คือสังขารสามจะดับให้เห็นนะแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ถ้าจะดับการเกิดตายที่สุดก็หนีการดับที่อวิชชาไม่ได้โยมดับตรงไหนไม่ได้เลยต้องดับที่วิชาอย่างเดียวเท่านั้นห่วงโซ่ปฏิติเน จะสิ้นตัณหาก็ต้องดับไปที่อวิชชาจะสิ้นอุปาทานก็ต้องสิ้นตัณหาจะสิ้นภพก็ต้องสิ้นอุปาทานจะสิ้นชาติก็ต้องสิ้นภพดังนั้นจะดับตัณหาก็ต้องไปดับที่อวิชชาเพราะถ้ายังไม่รู้แจ้งโลกจะเบื่อโลกไหมไม่เบื่อถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่มีใครตัณหาดังนั้น เมื่ออวิชาดับตันหาอุปาทานจึงดับนี่คือสายของการดับที่จริงๆในระบบของการปฏิบัติเนี่ยการดับตันหาต้องดับที่อวิชาหรือต้องสร้างวิชาขึ้นมาสร้างญาณทัศนะเรื่องอริยสัจขึ้นมาพอความรู้แจ้งอริยสัจเกิดขึ้นจิตจึงคลายตันหาอุปาทานเบื่อนาย กลายกำหนัดและก็หลุดพ้นเพราะรู้ชอบก็คือรู้อริยสัจนั้นห่วงโซ่ปฏิจะไปตัดได้ไหมเพราะที่สุดจะสิ้นตัณหามีมุมเดียวคือต้องดับที่อวิชชาพออวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับจิตจึงหยุดปรุงเพราะจิตหยุดปรุงตรงนั้นอนะ่ะคือสังขารสามดับ พอสังขารสามดับวิญญาณนามรูปสารภัสเวทนาก็ดับกลายเป็นตันหาดับจิตก็เข้าถึงความละ ง, งับของขันทั้งห้าให้ปรากฏเลยตันหาดับขันห้าดับถ้าขันห้ายังเหลืออยู่จะเรียกปรินิพานได้ไั้มไม่ได้ตั้งแต่สังขารวิญญาณนามรูปสารพัสเวทนาเนี่ยคือส่วนของขัน ตันหาอุบาทานเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของการสืบต่อของขันตันหาอุบทานถ้าตันหาอุบทานดับขันดับไหมใช่ชตันหาอุบทานดับขันทั้งห้าดับได้ไหมได้แต่ตันหาอุบทานจะดับไปดับที่ขันหรือไปดับที่อวิชาอวิชานะอวิชาดับตันหาดับ จึงทำให้ขันทั้งห้าละงับลงสังขารสมวิญญาณนามรูปสรายนภัสสะเวทนาคือส่วนของขันขันทั้งห้าซึ่งขณะที่เรามีเวทนาทาหน้าที่เนี่ยเวทนาเกิดขึ้นตรงนั้นกิริยาของจิตทำงานไปจนถึงสังขารเลยไหมสังขารเลยนะขณะที่เรารู้สึกหมายถึงตรงนั้นมีเวทนาตรงที่มีเวทนาตรงนั้นมีผัสสะหม ตรงที่มีภาษาอายนะทํางานไหมตรงอายตนาทางานนำรูปทํางานไหมตรงนํารูปทํางานก็คือมีวิญญาณไหมมีวิญญาณเพราะมีสังขารไหมมีแค่รู้สึกขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นสังขารวิญญาณนำรูปสารภาษาเวทนาเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นแล้วนี่คือหน้าตาของจริงพอพัฒนาผ่านวันเวลาไปช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็แสดงห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทในแบบที่คนจะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสกัดกั้นการเกิดขึ้นของตัณหาอุปาทานภพชาติโดยให้มีการเฝ้าระวังที่ผัสสะนะยังไม่สอนที่จะแสดงถึงตัณหาอุปาทานที่ผ่านการเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในแบบแรกเป็นปฏิจจสมบัติที่อยู่ในรูปตัวความรู้ชั้นญาณทักษณะที่ให้รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีภพอะไรเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีประรทานอะไรเป็นใัจจึงมีประรทานก็เพราะมีตัณหาก็สาวไปเรื่อยๆจนที่สุดพบว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารพระมีสังขารจึงมีวิญญาณพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปพราะมีนามรูปจึงมีสลายตระเนะพระมีอย่างนี้จึงมีอย่างนี้อย่างนี้พอรู้แจ้งจบหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์คืออะไรเกิดคืออะไรความสงสัยทั้งปวงหมดไปท่านเอาไปทำอะไรไหมกับปติเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไร พอนั่งทบทวนรายละเอียดที่เพิ่งตัดสรู้มาก็เธอไม่เกิดการสืบค้นและค้นพบพบจังหวะหนึ่งก็ค้นต่อพบจังหวะหนึ่งก็ค้นต่อค้นต่อจนไปสุดทางด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจไหมไม่ตั้งใจคือค้นไปเรื่อยๆ ด, ดันไปเรื่อยๆค้นเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆดันไปสุดที่อวิชชา พอพิสุทธิ์ที่วิชาเลยเปล่งอุทานเลยไงถ้าตั้งใจจะอุทานไหมอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปพอได้รู้แจ้งธรรมพร้อมทั้งเหตุสิ่งที่หมดไปคือความสงสัยทั้งปวงย่อมสิ้นไปพอได้รู้ธรรม พร้อมทั้งเหตุหรือว่าเหตุมันมาจากอะไรต่อมาทบทวนสายดับอวิชาดับสังขารดับวิญญาณดับสิ้นสุดการดับก็เปล่งอีกทีหนึ่งเมื่อใดแลทําทั้งหลายปรากฏแก่พราม์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย นั้นปฏิจจสมุปบาทในคราวที่เสวยวิมุตติสุขตัวเนี้ยมีไว้เพื่อให้เราทําอะไรกับมันเพื่อทําอะไรเพื่อไปสร้างความเข้าใจหรือเห็นแจ้งต่อเจ้าเหตุเกิดทุกสายยาวนี่เองรู้แจ้งเหตุกิดทุกแล้วเนี่ยจบไหมจบด้านหนึ่งด้านรู้แจ้งเหตุเกิดทุกจบ ด้วยการรู้แจ้งอริยสัตว์มาแค่ตัวเดียวนะรู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์ปฏิจจสมบาทคือการแสดงถึงเหตุเกิดทุกข์สายยาวใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งฟังใช่ไหมว่าอะไรคือเหตุเกิดทุกข์เหตุกิดทุกข์ก็ได้แก่เพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพรอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนี้คือเหตุเกิดทุกข์ ถ้ายมเข้าใจอย่างเนี้ยยมก็รู้ว่าเหตุเกิดชาติเนี่ยระบบมันเป็นยังไงเป็นสายยาวมาเลยพอเข้าใจได้สิ่งที่ได้มาคืออะไรความเข้าใจเข้าใจได้สิ่งที่ได้ก็คือความเข้าใจว่าอ๋อเหตุเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้หนอระบบเป็นอย่างนี้เนาะจะสิ้นสุดเกิดตายจะสิ้นสุดได้ก็เพราะต้องอย่างนี้หนอต้องอวิชาดับตันหาดับอุปทานดับพบดับชาติจริงดับ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ทำให้มองเห็นวิธีการเวียนว่ายใจเกิดได้ไหมว่าเขาเกิดเพราะอะไรจะสิ้นสุดการเกิดเพราะอะไรเนี่ยเห็นได้ไหมได้ไหมได้ตรงนี้ก็จึงเป็นยานอย่างรู้ในชั้นที่รู้ถึงกลไกการเกิดการตายการจุดติการอุบัติของสัตว์หรือว่าระบบกลไกนะ่ะมันเป็นยังไงนะการเข้าใจความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ทีนี้อวิชชาทําให้เกิดสังขารสามไหมแน่ใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ทําให้เกิดสังขารสามแต่สังขารสามจะยังมีถ้าคนนั้นยังมีอวิชชาแค่เกิดก็มีนี่คนละตัวนะสังขารสามจะยังมีถ้าคุณยังมีอวิชชาแต่สังขารสามจะสิ้นไปถ้าอาวิชชาสิ้นไปวิชชาเกิดขึ้น สังขารสจะถึงการสิ้นไปได้ด้วยวิราคธรรมหรือความหลุดพ้นพอหลุดพ้นจิตจึงระงับสังขารเมื่อสังขารทั้งสามดับวิญญาณดับานามรูปดับสลายตนะดับภาษาดับเวท น, นาดับตรงนั้นคือขันห้าดับสนิทไหมดับสนิทเป็นเครื่องบ่งชี้ให้รู้ว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าสิ้นตัณหาแล้วขันห้าดับสนิทไหม ถ้าสิ้นตัณหาหากท่านจะปรินิพพานเนี่ยขันธ์ห้าท่านจะดับสนิทไหม <Yeah. S 1> ชัวร์นะ <Yeah. S 1> ใครยังสอนว่าเป็นอรหันต์แล้ว <Yeah. S 1> ถึงการปรินิพพานแล้วจิตของท่านอรหันต์ท่านยังอยู่อย่างเงี้ยมาเยี่ยมโยมได้ด้วยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> จะเรียกว่าเป็นอรหันต์แท้ได้ไหมเ <Yeah. S 1> พราะถ้ายังอยู่ <Yeah. S 1> ก็หมายถึงตัวรู้อยู่ตัวเดียวได้ไหม <Yeah. S 1> มันก็ต้องอยู่กับ สัญญาเวทนาสังขารถ้าสัญญาเวทนาสังขารยังอยู่รู้อยู่หมายถึงอุปทานยังอยู่ไหมอยู่อุปทานยังอยู่หมายถึงตัณหายังอยู่ไหมอยู่นั้นถ้ายังมีจิตเหลืออยู่แสดงว่าใช่อรหันไหมตอบเองนะ <c oughs> มีหลายองค์นะที่กระดูกเป็นพระธาตุแล้วจิตเหลืออยู่โยนต้องไปหาเอาเองนะดังนั้นห่วงโซ่ ป, ปติเนี่ยเป็น สิ่งที่บอกเราได้ระดับหนึ่งว่าการปลินิพานของพระลหันเนี่ยสามารถดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแล้วขันดับสนิทกับพระลหันท่านดับสนิทเนี่ยมันใช่อันเดียวกันไหมอาลหันดับกับขันมันดับใช้อันเดียวกันไหมเพราะว่าขันมันดับไม่ได้มีตัวใครที่ดับไม่ใช่มีตัวท่านที่ดับแต่ขันมันดับนะขันมันดับ มีละหันอยู่ในรูปไหมเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาณนั้นใช้อรหันดับไหมไม่ใช่แต่ขันมันดับเวลาขันดับเคยใช้คําว่าทุกข์มันดับนะไม่ใช่ตัวท่านดับแต่ทุกข์มันดับนี่คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาแสดงความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในรูป เวทนาสัญญาสังขามิญาณไม่มีสัตบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในชาติในภพในอุปทานในตัณหาในเวทนาในพัสสะในอายตนะในนามรูปในวิญญาณในสังขารในอวิชชาปฏติเจสมุปบาททั้ง11บเอดอาการเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ธรรมชาติไม่มีความเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในทั้ง1ิบเอดอาการนี้คือพุทธศาสนา วันนี้นะจะพอสมควรให้โยมกลับไปลองทบทวนว่าสามารถหมดความสงสัยในเหตุเกิดทุกข์ได้ขนาดไหนเหตุเกิดชาติเนี่ยได้ขนาดไหนเชิญ